ที่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตวสัตตะแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังของ้องหายพาใข้องเพียงตอนนั้กก็ทราบกันแล้วท่านปนานนาวให้ตั้งหลายพบหลายภูมิเร่อนแรกตั้งแต่ภูมิ ืุสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นจึงเรียกว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้คืนชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักจะสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมด แม้แต่นรกอเวกีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายกลายกองยังต้องไปน่ะมีห่อนักต่อสู้ทําไมอะไรทำท่าทำให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่าก ร, รมเป็นเครื่องหนุนกามมาพบรูป้พบอรูปพบท่านพูดไว้กว้างๆสาม ในโลกเรานี้ก็มีมากน้อยเพียงไรใครจะเป็นนําได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ใ น, นที่มองเห็นด้วยตานเนื้อก็ก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเป็นละเอียดแม้จะเป็นด้านวัตถุแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนามธรรมา ครเป็นนามนธรรมภูมิเป็นนามนธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจะมากมายก่กองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลยเล ย, ล ย, ลยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี้แล้วเราจะหาที่เหยียบย่างไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยพบดยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมด แม้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่าไงในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตของเราดวงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นพบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งหนึ่งที่อยู่ในที่นันกมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ำบนบกมีไปหมด แลเรายังจะมาสงสัยอยู่หรือ ว, ว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดอยู่เวลานี้เปลือนแผ่นดินอยูน่นี่เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเกิดก็แสดงให้เห็นอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งอยากทั้งละเอียดทั้งในน้ำบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังจะสงสัยอยู่หรือ ว, ว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันมาเกิดเมื่อมันมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด มื่มันสูนไปจริงๆตายแล้วมันสูนไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่สูนนั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้แล้วเราจะเป็นลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันสูนไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้ฉ่ า, านาดแหลมคมรู้รายละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันรูปคล้ำไปรูปคล้ำไป อคำไม่เห็นก็นว่าไม่มีนะไปโดนเนาะจี้เนี่ยว่าสิ่งไม่มีนะ่ะไปโดนเอาหูโดนเอาเหมือนเราไปเหยียบขากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนะั่นะเราเข้าใจว่าไม่มีในะขนาดที่เหยียบแต่แล้วก็น้ําที่เราว่าไม่มีนะั่นแหละมันปักเราเนีเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองแนะ่ะแม้แต่น้ําแบบหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ หัวต่อไปโดนมันทำใหม่ไม้ไปโดนมันทำใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บเนี่ยแล้วทําไมถึงได้โดนกันเรื่อยละ่ะก็เพราะความสําคัญว่าไม่มีนั่นเองในขณะนั้นเราจะเหยียบย่างลงที่นั่นว่าไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มี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 มันไม่ศูนย์นะที่มันถึงมาเกิดให้เห็นอยู่เกิดให้เห็นตายเห็นอยู่นั่นนะ่ะมีด่วนน่้ต่อสิ่งไม่ศูนย์นะั่นน่ะมันจึงมีเกิดมีตายหเห็นดยู่ชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระพุทธเจา้าเราเชื่อเราเป็นไงความรู้ความเห็นเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถ ไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้ศูนย์ไปตามความรู้สึกของตนทั้งๆ ท, ที่ตนไม่สามารถจะรู้แน่แต่ทำไมจึงไปสามารถอาจเอื่อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทำไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังจะว่าเราฉลาดอยู่หรื อ, อแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้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 กลายเป็นคนไม่ไม่สำคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเขาเนสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดจนไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่จริงนั้นก็มีอยู่พะูท่าสะท้อนกับมาหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งร่อ ง, งนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มา พบพระพุทธศา ส, าสนาศาสนาธรรมมันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติธปฏิบัติถวายกายวาจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาที่ว่าเป็นวาสนาของเราผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะทําอย่างนี้มีจำนวนมากไม่ขาดกองประเภทที่ ที่จำเป็นอย่างนี้มันจะมีเพียงกอเซียนเดียวหรือไม่ถึงกอเซ็นกามาซถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วอเรานับข้อในจํานวนเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่พอหรือไม่พอกันนับข้อในจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่ที่วันหนึ่งเปอร์เซนหรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ช้านๆผานในจิตให้เพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดยที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ตะ เหตุผลให้ตาย ม, มีอยู่ที่จิตเมื่อเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านกิตตภาวนาโคสาวก็ไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันธุ์อะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆเหมือนอย่างเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราซะจริงๆนี่เราจะลบล้างได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นกัด้วยตาเจอของแล้วเราจะปฏิเสธได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบกนลบเราสิเอควางลูกตางเราออกเสียลูกตาเนี่ยมันโกหกนะเราจะไปลบล้างอันนั้นเราไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นหนาเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงถ้า เป็ด้านวัตถุที่เราจะจับได้เราก็จับมันมามาได้อีกไม่เพีงแต่เห็นไม่เฉยดูเฉยยังจับได้สัมผัสด้วยมือมอีกนะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะลบล้างได้เหรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั้นอน่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั้นอ่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่ละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจริงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลแก่เราพูดมุ่งหวังความพ้นทุกมุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ำํำจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้เรียนกิตาภาวนา น, นั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนพานกิจมันกระเพื่อมทั้งวันจิตตลอดเวลา เพเพิ่มเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความหนับอันมีเชื้ออยู่ภายในขากดันให้มันออกมาแสดงตัวมันไปไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี่มันก็อยู่เพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านล้านอัตภาพนั่นแหะคนคนหนึ่งอ่ะเพราะมีความติดความคล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโปรดก็ติดเปรียดก็ติดนั่นอะไรอะไรมันติดทั้งนั้น อ้าวคำติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาตามความติดตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีสักกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองนะแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเอื้อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าชู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจึงมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่ละ่ะความจริงเป็นอย่างนี้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 ไล่แต่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นจากจิตแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นทันๆภายในตัวของเราเองกานเรียนจึงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหนักลำหนักอันใดที่ควรต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้โดยสติปัญญาแล้วมันต่อยของมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีนนมมค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามา ปล่อยตั้งแต่วงกว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือ น, นิดมันก็รู้ว่านี่เชื้อแห่งภพยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอกในวิญญจิตนั้นรู้ชัดชนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดชัดนั่งมีมากมีน้อยเมื่อดำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา ไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามรู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือ ไ, ไปรับไปชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเนี่ยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลํำดับลําดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็ทราบชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ ที่นี่จิตนี่ศูนย์ไหมนั่นซ้ำเข้าอีกสิถึงน้ม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตายไปเกิดต่อไปอีกนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วกับผิดตรงนี้ที่นีกจิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนย์ไหมนั่นอีกยา้าลงไปอีกมันยิ่งเด่นนั่นแล้วอะไรมาศูนย์นี่แล้วความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่ น, น, น, เ, ดนเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนะเด่นจะนพูดไม่ถูกฮนะมันขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิตให้พาเกิดาพาตายให้ารักพาชัางพายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึง่งช่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธินี้สูญไปไหมทีนี้านาน อ, อกนุณิย์หอมชัดๆอย่างนี้แล้วจะลบได้ไหม ลบความจริงที่มันรู้รอย่างเนี้ยลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมแหนใครจะไปลบก็รู้อยู่ก็เรียนเพื่อความจริงจริงยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความบริสุดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูญไปได้ยังไงจริงฮใครจะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายไตยผ่านแล้วนี้มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อ มันจิตจิต ธ, ธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกันมากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้นี่มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านที่ท่านว่านิพพานังประมังสงญญะ ศูนย์แบบนี้เองแบบที่ว่านิ่งคุณทื่ว่าสมมุติทั้งปวงศูนย์ ส, สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดประมาณนูตาไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละคือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธ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 ดวงนี้แหละหากว่าสูญโดยจริงแล้วทรไมบททําบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ลรือเนี่ยโลกคือมูสัตว์มูสัตว์ตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดอยู่ภายในจิตนี่เองท่านเรียกว่ามูสัต เกิดทั่วโลกดินแดนตายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันใดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลําบากชาติไปดูขาชาละลาไปดูขามานำไปดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชาระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข่าสึกแล้ว ธรรมชาตินี่แหลคือวิวัตะหนาดกลับกันแล้วโลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์เช่นนั้นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้นายทท่านว่า สวาขาโตัวพระกตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้ภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วางานทางจิตชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นเป็นอาธิกนิยานังเนี่ยไพระเพราะเ พ, ะพียงเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งเบื้องต้นมัชเชกนิยานังไพร่เพราะเ พ, ะพียงเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทรามกลางปยโยนะไโยสารนกักนิยานังไพระในที่สุด คือทราบซึ่งเป็นไปด้วยเหตุโดยผลด้วยลลความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตําหนิตีเตียนพระธรรมที่จับไว้ชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าตีเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก่น่าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักแห่งสวาคาตะทำอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสทังให้ฝืน เราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของอุเจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่างไงทีนี้กิเลสมีอำนาจมากกว่ามันก็ลากเราไปไงก็เลยกลายเป็นเร า, เราฝืนทําไปเที่ยอืที่เมื่อเราฝืนทําแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เกิดก็เป็นเราแกก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกยากลําบากแบบไหนแบบไหนเราเป็นคนรับซะทั้งหมดเราผู้ฝืนทําเนี่ยรับ ทำท่านไม่รับเ อ, อ่อทำทำท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสวขหาธรรมนี้แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะห์รับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้พเพญานจึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืนด้วยอำนาจของกิเลสที่ให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานชําระสาสางสิ่งที่ มันพาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิดเลสมันเบาบางลงไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มดํำมีความพอใจบำเพ็ญศีลบเาเพ็ญธรรมถ้ามีตันต์กิดเลสล้นล้นเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยนีนั่น ว, ว่าเรามีวาสนาเรามีความชอบความพอใจ อยากไปวัดไปวาไปบําเพ็ญศีลเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทาบนบําเพ็ญภาวนานี่ชื่อว่ากิเลสของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเกี่ยวความน้อมใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรัตธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กันาหากมีแต่เรื่องของกิเลสล้นล้นแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี้ มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทำํำสนใจแต่เรื่องจะปีนเปียวกับความจริงความถูกต้องในงามโดยถ่ายเยียวจึงรับเอาตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาใส่ตนไม่ว่าจะอยู่พบใดแดนใดาชาติใดาภาษาใดามีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติท่า น, นมันนะ่ะไม่มีภาษามันเป็นแหล่งคิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครังแห่งวิบาก ค, คือผู้รับผล อันจึงต้องได้รับความถูกความทุกที่ตนสร้างขึ้นทำขึ้นมากน้อยหลีดรหลีกป ล, ล, ลีกตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตอนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งนั้นเป็นตัวการทั้งเรื่องของที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ใ น, ในทั้งเรื่องําละทั้งเรื่องแก้ไข ต้องฝืนตองกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อาจได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูจา้กอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอยขึ้นชื่อว่าสู้แล้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยเพราะไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้ แม้จะมีแพ้บางก็าตามอ่าขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากําลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจะมีความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังดิทําไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะอิดตรงนี้ขึ้นชื่อว่าคําแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่ า, าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยสรางอัตภาพนี้ให้ตายเสดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนานต่างคสิเด็ดไหมอิดดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อวนแอ่วดวงที่ร้มรูปคุ่คารานั่นแหละเวลาฟิตตัวขึ้นฟิตตัวขึ้นด้วยอดด้วยธรรมได้รับการสุกผลอบรมมีกําลังบังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับก็บประจักษ์กับใจนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลย สัตแพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้ก็ต้องเสียใจแม้จะคําว่าเล่นก็ตามมันยังเสียใจนี่เรื่องของมตรตารงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องความทุกกองทุกแท้ๆแล้วการแพ้สิ่งเหนี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาชิดเลยไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้ไงจนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลํำดับและ ไม่ให้มีคำว่าแพ้จกนกระทั่งชนะไปเลยอนี่เป็นผู้ประเสริฐถ้าลงวัดชนะไปเลยแล้วทีนี้อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนั้นมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยละเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนรนะกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่ฮ เพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความ ส, น, สนัยสงสทยอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรนเครื่องกั้นกลางกั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทํามีหมดไปนี่หลักงานของเรางานรู้ภพรู้ชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัตถะ ความหมุนของใจเรื่องความเกิดจากเจิดตายไปพบนั้นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอืเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบระเตรียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มที่กําลังความสามารถหากจะไปเกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียทีไปภพไหนก็ไปก็กรามพาให้ไปนี่จะวางไง เราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสอยหนักเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่าถ้าไปหมดท่าอยู่ก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นของดีแล้วหรือความสิ้นท่าอะไรแคเป็นของดีเรารู้อยู่ทุกข์ดพยายามสร้างจิต ใ, ใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้บระพุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกัน อเกิดไม่ทั้มาในทัางกลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งกิเลสตัณหาสะวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตอนนั่นแหละไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในทัางกลางสิ่งเหล่านี้อันไหนที่ควรแก้มันก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบลื่นดีงามไปเลยอ่าไปพบไหนก็ไม่เสียท่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอ มีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลยการผ่านปรนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผ่านไปได้เท่ามีความดีไปไม่ได้แนะ่อยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทำไมจึงไปไม่ได้เพราะกาลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเทนั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รั ความทุกความลาบากนี่เลยแม้แต่สัตว์เขายัางกลัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไปแบกขามอยู่ทำไมทั้งทั้งที่รู้อยู่อยากพ้นจากทุกข์อูทําไมไม่พ้นไปเสียถ้าว่าความอยากนั้นสาเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้นี่หินไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากเพียง่นั้นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราจยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไต่มันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่อากถึงที่นั่นถึงที่นั่งถึงที่นุ่น ถึงจุดหมายปลายทางวิเดเยนัน้นลุกขม้าเจตินักคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไทได้โดยลำดับลำดับเพราะความเพียรพยายามนี่เป็นหลักใหญ่นี่แหละเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสดราของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิทธ์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกตาเหล่าอกอของพระพุทธเจ้า แล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงเพิงพวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังเนี่ยมันก็เข้ากันไม่ได้อเดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไปจะชา้าหรือเร็วก็ตามขอ้อนความพยายามของเราเป็นไปตามตติกําลังความของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดําเนินตามครูโฆษนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญ พระพุทธเจา้าก็สอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอานาจวาสนานั่นเราสร้างอยู่ทุกวันทุกเวลาทำไมจะไม่เป็นอานาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนดาวความจริงต้องเป็นเครื่อสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลสุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระพุทธเจา้านั่นแหละดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้ สู้สู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับันไปแล้วนี่ทั้งแพ้ทั้งชนะสับปนกินไปทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเข้ามากาเข้ามากเขามีแต่ทีเราทุนกิเลสหมอบอนอกจากหมอบล้วห้าขี้ผายหมดไม่มีอะไรเหลืออค่ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความะพ้นทุกข์โขนอยู่ในกองทุกข์เพ ร, ราะกิเลสชาต์อยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลย เราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของเกลียดว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกนั่นเองมองให้นซึ่งซึ้งมันอยู่ในใจของเราเนี่ยมองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ข่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ในที่อื่นใดขอให้พากันนำไปพิจารณาต้องเพนคุณงามความดีหยาดรุตละความภาคความเพียร อันใดก็ตามขึ้นชือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามซื้อแล้วซื้อซึก็ตามภาวนานก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเขาเ้าแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้ไปได้วยความเป็นสุขเป็นสุขเทียวบว่าสุขะโตสุขะโ ต, โตอยู่ก็สุขะโตไปก็สุขะโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสําคัญขอจึงขอยุติการแสดงเปลี่ยนตน